บุกทูสี่สิบเก้าสี่กกีฬาสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมคุณออกกังาไหมค่ะี่ฉันต้องออกกำลังกาย т а กย п о ้ и н วิ р у х น т า с ู้ัดดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับยาขัดจูอุสปอร์ติวเน่ทวาริตวเราเล่นฟุตบอล Мы г у л я ้ м เราก็ว่ายนบางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Часом мы п л а в а ็ м ยรเรา่บักบางครั้งเรา ก, ก็ยาวยน้าาัเ่าวยรเรา่กยาน เรายมบนจักรยามี hmm. สนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเราแล้วก็มีสระว่ายน้ากับซาวน่าด้วย sama, с с และมีสนามกอล์ฟ ทีวีมีอะไรดูสตูดิ т อ о ะทีวีเซอร์กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้เจปีร์ดิเอฟฟุตบอลเนมัชทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ใครกำลังนำ ที่ฉันไม่ทราบค่ะย не в е д ว ю ตอนนี้เสมอกันอยู่ น, น, น, นูชยผู้ตัดสินมาจากเบลเยียมบตบยตอนนี้กำลังยิงลูกโทษซารสบูด з อัน з ิเนติเมโทรว์วยูด เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ฮูลอดินนูล